วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 5งัวันนี้เป็นขึ้นเมษารนะพี่น้องชะตาญาติโยมลูกหลานปีห8เมษามีวันเดียวเท่านี้แหละ e uh. ต่อไปก็ไหลไปเรื่อยๆออปีหน้ากับปีห9เมื่อวาน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 พระ อ, องค์จึงให้บำเพ็ญนั่งภาวนาด้วยบำเพ็ญด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดนะั่นแหละสรุปแล้วคือมรรคแดนะเป็นหนทางสกัดกิเลสกิเลสคือเชือนะ้อเชื้อที่จะทาให้เกิดกระเทาะเปลือกนะอแล้วก็มาขัดจากนั้นเป็นนึ่งอีกต่างหากาหนึ่งด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจนเมล็ดข้าวเมเมล็ดนั้นสุก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 ด้วยศีลสมาธิปัญญาตะปะธรรมกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะใจของเราก็บริสุทธิ์เนี่ยวิธีการที่จะทำบำบัดใจให้บริสุทธิ์นั้นคืออะไรเนี่ยเยบื้องแต่เรื่องศีล น, นี่ยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าเมื่อกายวาจาของเราไม่มีโทษไม่มีความไม่ต ก, กังวลกายของเราไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปกินเหล้า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 ไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งเอตัวเองมันมันหมดสภาพพอที่สุดเขาเอาไปเผาไฟทิ้งคนที่อยู่วางหลังเขากลัวมันเหม็นไปเผาไฟทิ้งตัวเองก็ไปล้ ว, วิญญาณก็ออกไปละแต่พวกที่เผาไฟทิ้งก็คิดว่ามองมองดูอีกหลงตัวเองอีกตนเดียวกัเนเขาก็เอาเผาร่างกายตัวเองทิ้งอีกเป็นทอดๆไปเรื่อย ๆ, ๆนี่แหละ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 บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนตเ่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นนี่แหละลักษณะอย่างนั้นคือสิ่งที่เราทิ้งทั้งหมดคือเอาน้ํากรดเทเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ถึงจุดนั้นพอถึงแล้วมันด้วยปัญญาของเราปัญญาสัมมาทิฐิเห็นชัดแจ้งชัดจริงจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจ พอป่าปล่อยวางที่ใจน่นะความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนนะนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนไปหาน่ยอยู่จุดนั่นแหละอยู่ที่ใจอันบริสุทธิ์เหมือนกับเราเนี่ยมืดมนโอนตงการเหมือนเหมือนกับถ้ำอยู่ในถ้ำ อ, อ, อยู่ในถ้ำลึกๆเนีมันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติกี่หมื่นปีแต่พวกเราเข้าไปจุดไฟเข้าไปพอแสงสว่างขึ้นมา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 เมื่อเราชำระใจตรงนี้บริสุทธิ์แล้วคนนั้นจิตใจที่เป็นนิพพานังนิพพานังปร r a m a สุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปร r a m a n สูญอย่างนิพพานสูญสูญเชื่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร